255เหตุที่เกิดพระเจ้าพุทธค้นพบว่ามาจากไหนพุทธศึกษาจากวิญญาณที่สัมผัสได้โต้งโต้งหลัดหลัดในปัจจุบันไม่ศึกษาวิญญาณที่ล่องลอยซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้หรือแม้วิญญาณที่ไม่มีกายก็ไม่เสียเวลาเรียนการศึกษานั้นต้องมีวิญญาณให้เรียน แต่ถ้าเป็นวิญญาณที่นิยามกันไว้ว่าเป็นวิญญาณของพระเจ้าอยู่ทั่วไปหมดทุกหนทุกแห่งไม่มีตัวตนที่จะสัมผัสท่านได้และเป็นภาวะที่คนไม่บางอาจจะเข้าไปร่วงรู้หรือสัมผัสได้เป็นอัตขาดนอกจากพระบุตรถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถพิสูจน์วิญญาณชนิดนั้นได้แน่ ก็ปิดประตูการพิสูจน์ความเป็นวิญญาณชนิดนี้ไปสําหรับของชาวพุทธนั้นวิญญาณพิสูจน์ได้ในตัวเราคนทุกคนนี้เองและสามารถพิสูจน์ตามนิยามถึงคุณสมบัติของวิญญาณที่สูงส่งขั้นพระเจ้าว่าเป็นคุณสมบัติสี่เช่นเมตตากรุณามุทิตาเวขาเป็นต้น ผู้บรรลุพุทธธรรมสำ ม, มาทิฐิสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการลิงคะนิมิตอุเทศของคุณสมบัติสี่นั้นๆได้แท้จริงผู้บรรลุธรรมของพุทธอธิจิตศิขาจะเจริญขึ้นมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโพคี ศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาต า, ท, ท, า, ญญ า, ตาที่เป็นเช่นนั้นได้ก็พอได้ฝึ ก, กจิตใจจนมีคุณสมบัติสารานยาิยะปิยกราณะขรุกราณะสังหาอาวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะพระไตรปิโดกเล่ม22ข้อ2 8 2ถึง สารานิยปิยกรณะครุกรณะสังหาอาวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะนี้แหละที่เป็นเหตุให้เกิดพลมวิหารสี่นั้นได้จริงจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นพระเจ้าหรือเป็นเทพที่อยู่ในกามมาวาจรภูมหกได้แก่ จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีประนิมมิตวสตีแมตแต่วิญญาณขั้นรูปประภมสิบและอารูปประภมมสไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพรมแบบโลกิยะก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเป็นแบบโรกุตระก็สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ซึ่งที่สุดคนนี่แหละสามารถทำใจหรือจิตอินยาณของตนให้เป็นอาการเดียวกันกับพระเจ้าที่เที่ยงแทนนิจังชนิดที่เป็นโรคกุตระธรรมนั่นคือเป็นความยั่งยืนทุวังเที่ยงแทนนิจังตลอดไป ส, สัตตัง ไม่เปลี่ยนแปลเป็นอื่นอีกแล้วอวิปริณธรรมังไม่มีอะไรหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกําเริบอสังกบ ป, ปังเป็นจริงกันทีเดียวจึงเป็นจิตเป็นวิญญาณที่ไม่ทุกอย่างเคยทุกอีกไม่ตกต่ำในโลกอีกแล้วเพราะจิตเป็นโลกุตรภูมิอยู่เหนือโลกี ไม่มีโทษมีภัยชนิดที่เป็นโรคอุตรจิตได้จริงๆเราจึงมีพระเจ้าแท้เราบูชาเทิดทูนพระเจ้าเช่นนี้สูงสุดสุดสูงจริงๆเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริจงความเป็นพระเจ้าว่าคือจิตคือวิญญาณ คือสัจจะที่มีอยู่จริงในตัวคนและเราก็ได้พิสูจน์ได้อย่างแท้จริงว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความเป็นพระเจ้าจริงแท้ซึ่งเป็นจิตที่ดีจริงเป็นจิตที่ไม่มีตัวตนที่เห็นแก่ตัวกันจริงจริงซึ่งมีจริงเป็นจริง พระเจ้าคือความไม่มีทุกข์แน่นอนความประเสริฐแท้จริงที่สุดย่่งยืนเที่ยงแท้ถาวรตลอดไปก็จิตเป็นพระเจ้านี่แหละเพราะเราดับเหตุแห่งทุกข์แห่งชั่วแห่งตัวตนในจิตตนได้จริง